ตนนี้นักเรียน ร, รุ่นรนะุ่นก็ได้กลับบ้านแล้วดีใจไหมเออดีใจก็เห็นความดีใจนะให้เห็นว่าเออข้างในมันดีใจนะอย่างที่เคยเล่าเด็กแดขวบนะเขาบอกว่าเนี่ยหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะนะถ้าเราลองมามองมาดูแบบนี้บ้างนะเวลาเสียใจเวลาเศร้าโศกนะ มันก็จะบีบคั้นใจเราไม่ได้เพราะว่าเราเห็นมันเห็นความเศร้าโศกเห็นความเสียใจแต่ไม่ใช่ผู้เสียใจไม่ใช่ผู้เศร้าโศกนะพกเราออกจากวัดกลับบ้านก็อย่าลืมนะเอาสติกลับไปด้วยนะอย่าทิ้งสติไว้ที่นี่นะเอาสติกลับไปที่บ้านตั้งแต่ออกจากวัดไปก็คลองสติให้ดีนะ เพราะว่าเราอยู่วัดมาเจวันนะหลายคนจะรู้สึกเหมือนกับอยู่ในคุกนะพอออกจากคุกได้โอ้มันดีใจมากเลยนะอย่างแรกที่นึกถึงก็คือกินอาหารที่อร่อยนะพอไปจอดได้พักที่ไหนกินอาหารกลางวันนะก็จะตาโตเลยนะเพราะว่ามันมีของอร่อยที่ไม่ได้กินมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ น้ำอัดลมเอ่ยนะพิซซ่าเอ่ยของหวานเอ่ยโอ้ครองสติดีๆนะเพราะว่าถ้าไม่มีสตินี่อาจจะสำลักก็ได้ของกินของชอบไม่ได้กินมาเป็นอาทิตย์นี่พอได้กินแล้วโอ้มันเคี้ยวใหญ่บางทีติดคอนะต้องมีสติมากๆทีเดียวไม่งั้นเนี่ยจะจะสำลักจะสำลักอิสระภาพนะ รู้จักไหมสรลักอิสรภาพเนะี่ยเพราะว่าอยู่วัานี่เหมือนกับติดคุกนะออกไปข้างนอก น, นี่โอ้อิสระภาพจะกินจะเที่ยวนะจะเล่นยังไงก็ได้เนะี่ยระวังนี่ยสำลักมีหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งนะแกติดเกมออนไลน์มากเลยแต่ว่าต้องไปทํางานก็ไม่ค่อยอยากไปทํางานเท่าไหร่ติดเกมจนกระทัง่งบางทีไปทํางานสาย และต่หลังก็บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะจนในที่สุดก็ถูกไล่ออกก็ดีใจนะตอนนี้กูไม่ต้องทำงานแล้วนะทั้งวันนี้ก็จะสามารถจะเล่นเกมออนไลน์ได้ตลอดเลยนะต่อไปนี้นะไม่ต้องกังวลแล้วก็เล่นเกมออนไลน์เนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นี่แหละบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะแม้แต่กินก็สั่งนะอาหารเอามาส่งที่บ้าน มีแต่เข้าห้องน้ำหลับก็ไม่ได้หลับเล่นเรียกว่าเล่นอย่างเมามันมากนะปอกกัว่าเล่นติดต่อาากันสาบชั่วโมงหัวใจวายนะตายหน้าหน้าคอมเลยอันนี้เรียกว่าสำลักอิสระภาพนะคือไปคิดว่าการทำงานเนี่ยมันเหมือนกับการติดคุกหรือว่าการเสียอิสระภาพพอไม่ต้องทำงานแล้วกูเป็นอิสระแล้วโว้ยนะ ก็เลยนะทำอะไรเสพเสพเต็มที่นะเสพสุกเต็มที่นะโดยไม่บัญญาบัญยังมันก็กลายเป็นอันตรายนะเกิดขึ้นนะต้องระวังนะเวลากินอะไรในระหว่างทางก็ให้มีสติเวลาจะข้ามถนนอะไรก็มีสตินะไม่ใช่ดีใจโอนะ้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ความดีใจทำให้ประมาทนะทำให้ขาดสตินะ จริงทุกอารมณ์นะนะถ้ามันมีมากๆนี่ก็ทําให้ขาดสติได้ทั้งนั้นความเศร้าเสียใจความโกรธนะความรู้สึกผิดความเบื่อหน่ายถ้ามันมีมากๆเนี่ยขาดสติได้ที่จริงมันก็ขาดสติอยู่แล้วแหะแต่ว่ามันไม่ถึงกับทําให้แย่แต่ถ้ามีมากไปมันก็ลืมตัวไปเลยไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้นะรักษาสติต่อไประหว่างที่อยู่บนรถนะั้นเราก็รู้สึกตัวกับการครึงนิ้วมือ บางคนแต่จมูกเสวสร้างจังหวะไม่สะดวกอยู่บนรถนะเราก็คลึงนิ้วมือไปรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรเวลาเพื่อนคุยนะเฮฮากันนะเราก็คุยกับเขาบ้างนะตามตามาาตามมาเรียกได้หรือว่าคุยแต่พอดีนะอย่าไปเฮฮาจนหมดเนื้อหมดตัวสติเราจะล่วนไหลหมดนะอุตส่าห์สะสมไว้เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยสะสมเหมือนกับเราสะสม น้ำทีละหยดทีละหยดนะกว่ามันจะได้ครึ่งครึ่งองนะเจ็ดวันนะได้มาครึ่งองแต่ว่าปล่อยตัวปล่อยใจเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนี่สติหายหมดเลยนะเหมือนกับว่ามันมีรูรั่วนะระหว่างที่อยู่บนรถก็มีสติเอาไว้นะกลับไปถึงบ้านก็มีสตินะทำอะไรก็รู้สึกตัวกินข้าวอาบน้ำถูฟันล้างหน้าให้ร่างกายมันสัมผัสกับความเย็น และจิตใจก็รู้สึกถึงความสดชื่นกระชุ่มกระชวยไม่ใช่ปล่อยใจลอยนะกินข้าวกินอย่างมีสติรู้รสชาติของอาหารแต่ว่าก็ไม่หลงลืมตัวไปกับรสชาติอาหารมันอร่อยก็รู้อร่อยไม่ใช่ลืมตัวหมดเนื้อหมดตัวไปกับรสชาตินะกลับไปบ้านโอ้ยไม่ได้ฟังเพลงนะไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ก็ให้รู้จักประมาณนะสติเนี่ยมันเหมือนกับ ต้นกล้านะเรานี่เพราะต้นกล้าไว้แต่ต้นกล้าเนี่ยมันจะโตได้เราต้องหมันรดน้ําต้นกล้าห่งสติเนี่ยมันยังเล็กอยู่นะต้องกลับไปดูแลจาะลงดินก็ได้นะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยถ้าเราลดไปรดไปเรื่อยๆทีแรกเรารักษาต้นไม้เราดูแลต้นไม้แต่เมื่อต้นไม้โตขึ้นนะต้นไม้จะรักษาเราจะดูแลเราจะให้ความร่มเย็นกับเรา จะบางพายุนะพังบางลมให้เราฉันใดก็ฉันนั้นตอนนี้เราดูแลสติเรารักษาสตินะต่อไปเมื่อสติเติบใหญ่สติก็จะรักษาเราเจอวิกฤตเจอความ ผ, ล ผ, ลผลนันผวนปลีนแปลในชีวิตก็สติก็ช่วยให้เราจิตใจเป็นปกติได้เหมือนกับสมอนะที่ทําให้เรือเนี่ยสามารถจ ะ, ะเผชิญกับพายุได้ลมพายุจะแรงแค่ไหนนะอ่า เรือก็ไม่ความไม่อับปางเพราะมีสมองนะให้เรารักษาสติอย่างนี้แหละนะชีวิตเราก็จะมีความสุขความเจริญทำงานก็สำเร็จถึงแม้ไม่สำเร็จก็ไม่ทุกนะสามารถจะมีความสุขได้ในทุกที่นะอยู่โรงเรียนก็มีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขเป็นความสุขที่เราเป็นความปกติความสงบนะให้เรารู้จักนะแล้วก็มันรักษาใจรักษาความสงบอันนี้ไว าละเตรียมรับพร